เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่เก้านิมิตสมาธิวันนี้ไปทำงานตามปกติทุกคนมองฉันด้วยแสตาประหลาดและฉันเองก็รู้สึกประหลาดเช่นกันเดินเข้าบริษัทเหมือนผู้เขาลูกย่อมย่อมขณะที่เห็นคนอื่นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าหรือกรวดหินดินทรายเล็กจิว๋วพยายามเตือนตัวเองว่า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 ที่ก่อโตขึ้นจากแรงปรารถนาในความสงบสุขเป็นทุกขวเวทนาประเภทหนึ่งเมื่อเท่าทันได้ก็เห็นสักแต่เป็นสภาพของมันเช่นนั้นต้องเสื่อมดับไปเองเป็นธรรมดาแค่ไม่เอาเชื้อมาต่อไม่นำฟืนมาเติมคือไม่คิดถึงความล้มเหลวในการทำสมาธิกำหนดสติรู้สภาพของทุกอันเกิดจากการไม่ได้ฌานตามปรารถนา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 อุบายวิธีแต่ละอย่างของพระพุทธเจ้าถ้าลองทำก็เห็นผลเร็วอย่างน่าอัศจรรย์อย่างเช่นชั้นเคยกำหนดให้จิตสว่างมันก็ไม่สว่างตามใจนึกง่ายๆแต่พออธิษฐานทำใจให้รู้สึกว่ากลางคืนเหมือนกลางวันเดี๋ยวเดียวเท่านั้นจิตก็สว่างกว้างมีความเปิดเผยไร้ไส้ตันไร้สิ่งห่อหุ้มรัดรึงสมในกับพุทธพจน์เปียบ